ข่าวหน้ากลุ้มโดยดังตรินเฮอ้อหนุม่ม32กลับมาเยี่ยมบ้านหลังทำงานที่ต่างประเทศมีเงินเดือนคิดเป็นเงินไทยตั้งเกือบห้0 0มื่นบาทยังอุตส่าห์ติดพนันบอลกระทั่งต้องฆ่าตัวตายแถมตอนจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีอาการว่าจะทำร้ายตนเองมีการเดินยิ้มผ่านหน้าเมียเข้าห้องนอนลูกสับไกปืนโป้งเข้าหน้าอก ต, อ น, เอตอนเองตายคาที่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 ในที่ที่ผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลัวถูกโกงยอมขุนคลากด้วยรังสีอ ม, มหตเหมือนพร้อมจะเอาเรื่องกันเมื่อจับได้ว่าอีกฝ่ายตุกติกหรือไม่ก็พร้อมจะเป็นฝ่ายตุกติกเซเองเมื่อสบช่องก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตพร้อมจะโกงและพร้อมจะเอาเรื่องน่าจะทำให้ใจคุณสะอาดหรือสงกกว่าเดิมเล่า